เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้ไปวันเสราร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2552ตรงกับวันแรม15บ้าค่ำเดือนสิ ซึ่งชาวไทยถือเป็นวันศาสตร์เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งหลายจะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสายหรือผู้ที่ ไม่ได้เป็นญาไม่ได้รู้จักกันเพราะมีความเชื่อว่าคนที่ตายไปแล้วนั้นตายเพียงแต่ร่างกายส่วนใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจต้องไปรับผลบุญผลกรรมต่อไปถ้าทำบาปแล้วไปตกนรก ก็หลังจากตกออกจากนรกมาก็จะเป็นเปรตจะเป็นวิญญาณที่ต้องอาศัยบุญอุทิศของญาติพี่น้องของผู้ที่มีจิตเมตตาเพราะเปรียบเหมือนกับเป็นขอทานเพราะเหมือนกับคนที่เพิ่งออกมาจากคุกใหม่ๆ ไปติดคุกไปอยู่ในนรกพอพ้นโทษก็ออกจากนารกมาเป็นเปรตพ้นโทษก็ออกมาจากคุกก็ไม่มีเงินมีทองติดตัวมาจะไปรับจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องใช้เวลานานเพราะต้องเดินไปเหมือนกับออกจากคุกจะเดินทางไปเมืองหลวงถ้ามีค่ารถขึ้นรถไปก็ไปเร็ว ถ้าไม่มีค่ารถก็ต้องเดินไปบุญอุเทศนี้ก็เป็นเหมือนค่ารถที่จะช่วยส่งให้ดวงวิญญาณที่พ้นโทษจากนรกที่เป็นเปลดอยู่นี้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอย่างรวดเร็วถ้าไม่ฉะนั้นก็ต้องเสียเวลาเพราะกว่าจะเดินกว่าจะไปถึง ก็ต้องใช้เวลาอันอยาวนานนี่คือประโยชน์ของการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแต่ถ้าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้หมั่นทำบุญให้ทานหมั่นรักษาศีลหมั่นปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราทั้งหลายกำลังทำกันอยู่นี้โอกาสที่จะต้องไปตกนรก ไปใช้เวรใช้กรรมแล้วออกมาจากนรกมาเป็นเปรตเพื่อมารอรับส่วนบุญอุทิศนี้ก็จะมีน้อยมากเพราะอา น, นิสงส์ของบุญที่ได้ทำไว้เช่นการให้ทานการรักษาสิ่งการปฏิบัติธรรมก็จะส่งให้ไปเกิดในสุขติเป็นส่วนใหญ่ได้ไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรมบ้าง ได้เป็นพระอาริยเจ้าบ้างแล้วหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ดีกว่าเดิมทั้งในส่วนของความความรู้ความเห็นความฉลาดทั้งในส่วนของฐานะการเงินการทองทั้งในส่วนของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณต่างๆจะดีขึ้นกว่าเดิม นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้เพราะกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎตายตัวไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกับประชาชนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎของกฎหมายบ้านเมืองจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่ก็ไม่สาคัญ ถ้าไปทำผิดกฎหมาย <c oughs> ก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษดังนั้นถ้าไม่รู้หรือไม่เชื่อก็ควรศึกษาควรฟังเทศฟังธรรมควรอ่านหนังสือธรรมะดีๆเช่นหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนของพระ พ, พ, พุทธเจ้า โ, โดยตรงเมื่อได้อ่านได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะเกิดความรู้เกิดความศรัทธาความเชื่อขึ้นมาถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้เพราะตามความรู้สึกนึกคิดของปุตุชนนี้จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะสูญสลายกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไป แต่ไม่รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีจิตใจที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของชีวิตของพวกเราทุกคนขณะนี้ที่เรากำลังได้ยินได้ฟังเสียงธรรมะอยู่นี้ <c oughs> ก็ไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่ได้ยินได้ฟังร่างกายเป็นเหมือนกับสื่อเป็นเหมือนกับเครื่องรับวิทยุที่จะรับกระแสคือเสียงนี้ แล้วก็ส่งไปให้ผู้รู้คือใจอีกต่อหนึ่งใจนี้เป็นผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นผู้ได้ยินได้ฟังแต่ใจนี้เป็นส่วนที่ละเอียดมากแม้กระทั่งใจเองยังมองไม่เห็นใจของตนเองมองเห็นแต่ร่างกายมาตั้งแต่วันเกิดก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นใจเป็นตัว เราเป็นของเราแต่ตัวที่เป็นตัวเราของเราที่แท้จริงนี้ก็คือใจใจผู้ที่สั่งการผ่านความคิดต่างๆให้ร่างกายไปทำกรรมทำบุญต่างๆแล้วใจก็เป็นผู้รับผลของบุญของกรรมที่ได้ทำไปทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่นวันนี้เรามาทำบุญใจก็จะมีความเย็นมีความสุขมีความสบายถ้าเราไปทำบาปใจของเราก็จะมีความวุ่นวายใจผลปรากฏขึ้นอยู่ทันทีความสงบความเย็นความสบายใจนี้ก็คือสวรรค์ส่วนความวุ่นวายใจความทุกข์ความร้อนก็เป็นนรก เป็นนรกและเป็นสวรรค์้ตั้งแต่ยังไม่ได้ตายไปแล้วเมื่อตายไปนรกและสวรรค์ที่เราได้สะสมวา น, นี้ก็จะเป็นของจริงขึ้นมาในใจของเราถ้าทำบาปทำกรรมมากกว่าทำบุญใจก็จะร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเวลาตายไป ใจก็จะกลายเป็นนรกไปทันทีนรกหรือสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือพัทยาแต่นรกหรือสวรรค์นี้เป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของเรานี่เองความรู้สึกที่เป็นความทุกข์ความร้อนนี้เป็นนรกความรู้สึกที่เป็นความเย็นความสงบความสบายนี้เป็นสวรรค์ ความรู้สึกที่ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยไม่มีกิเลสตัณหายอยู่ในใจเลยเรียกว่าเป็นพระนิพพานทั้งหมดนี้อยู่ในใจดวงเดียวนี้แลไม่ได้อยู่ตามสถานที่ต่างๆดังนั้นถ้าอยากจะพิสูจน์ว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นิพพานมีจริงหรือไม่ต้องพิสูจน์ที่ใจของเรา พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พิสูจน์ความจริงเหล่านี้ในพระทยัยในใจของท่านแล้วท่านไม่ได้บินขึ้นไปสวรรค์ท่านไม่ได้ดำลงไปในดินเพื่อไปค้นหานารกหรือค้นหาสาวสวรรค์แต่อย่างใดแต่ท่านใช้ท่านใช้สติหนึ่งจิตให้ย้อนกลับเข้ามาดูใจของตนเอง ถ้าไม่มีสติแล้วใจของเราจะออกไปดูสิ่งต่างๆภายนอกใจจนลืมใจไปจนไม่รู้จักใจว่าเป็นอะไรเป็นใครบัวแต่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆภายนอกของใจไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลต่างๆแล้วก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายไปทำบาปทำกรรมกับสิ่งต่างๆภายนอก เพราะความหลงหลอกให้ไปคิดว่าสิ่งต่างๆไปนอกนั้นเป็นสมบัติของตนเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับตนแต่หารู้ไหมว่าสิ่งต่างๆภายนอกนี้ล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นล้วนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งสิ้นเพราะใจมีความหลงเมื่อไปยึดไปติด แล้วสูญเสียสิ่งที่ไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์เกิดความร้อนใจขึ้นมาถ้าไม่มีก็เกิดความโลภอยากจะได้ขึ้นมาก็เป็นความร้อนอีกแบบหนึ่ง น, นี่เป็นความหลงที่หลอกให้ใจไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกแต่หารู้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นความสุข มันเป็นความทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนี่เองเพราะไม่มีอะไรจีรังถาวรใจหลงมายึดมาติดกับร่างกายนี้คิดว่าได้ร่างกายแล้วจะได้มีความสุขจะได้ไปทำอะไรต่างๆได้แต่ทำอะไรมาก็มากมายกายกองตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วความทุกข์มันหมดไปจากใจบ้างหรือหรือไม่ หรือมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่เข้ามาสร้างความสุขภายในใจของเราเราไม่เข้ามาสร้างสวรรค์ภายในใจของเราเพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราตัดให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆภายนอกเสียเพื่อเราจะได้ย้อนเข้ามาภายในใจของเรา แล้วก็มาสร้างสวรรค์สร้างพระนิพพานภายในใจของเราดังนั้นท่านถึงต้องสอนให้เราสลับจากะแปลว่าเสียสลับให้เราตัดสิ่งต่างๆทั้งร้ายภายนอกไปให้หมดตามลำดับตัดมากตัดน้อยก็ขอให้เริ่มตัดกันไปตัดได้มากเท่าไหร่ก็จะเข้าข้างในได้มากเมื่อเข้าได้เข้าเข้าข้างในแล้วก็จะได้มาสร้างความสุข ที่แท้จริงสร้างสวรรค์ที่แท้จริงถ้าตัดไม่ได้ถ้ายังติดอยู่ภายนอกก็จะสร้างนรกสร้างความทุกข์ร้อนให้แก่จิตใจอย่างที่พวกเราทุกวันนี้ทุกข์ร้อนกันเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรเราก็ทุกข์ร้อนกับสิ่งต่างๆภายนอกใจของเราทุกข์ร้อนกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยทุกข์ร้อนกับสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเพราะ สิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาไม่เขาไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมไปเสมอเขามีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเวลาที่เขาเปลี่ยนไปก็ทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกเสียใจกิมไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นคนที่มีปัญญา จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับกองไฟไม่ควรเข้าใกล้ควรที่จะถอยออกค่างเรื่องเหมือนกับระเบิดเวลาที่จะระเบิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไหร่สิ่งที่เรารักเราชอบเราหวงจะจากเราไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ถึงเวลา ถึงวาระของเขาเขาก็ไปเหมือนกับระเบิดเวลาเมื่อถึงเวลาที่เขาจะระเบิดเขาก็จะระเบิดขึ้นมา ท, าทันทีพอมันระเบิดแล้วคนที่ยึดติดอยู่กับระเบิดเวลานั้นก็จะต้องเดือดร้อนจะต้องเจ็บตัว mm. ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ใจของเรานี่แหละที่หลงไปยึดไปติดกับระเบิดเวลาลูกต่างๆ สามีภรรยาก็เป็นระเบิดเวลาบิดามารดาปุยญาตายายก็เป็นระเบิดเวลาบุตรที่าญาติสนิทมิตสหายก็เป็นระเบิดเวลาเวลาที่เขาจากเราไปเราจะเศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้าเราฉลาดเราตัดความยึดติดกับเขาเราเตรียมนัวเตรียมใจรับกับความจริงที่จะเกิดขึ้นกับเขา รู้าเขาจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเราไม่ยึดไม่ติดกับเขาพอถึงเวลาจากกันจะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับพวกเราที่มานั่งอยู่ในศาลาขณะนี้พวกเราก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะแยกกันที่จะจากกัน หลังจากที่เสร็จภาวกิจในศาลานี้หลังจากที่พระสงฆ์องค์เจ้าอนุโมทนาให้พรญาติโยมรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างไปตามสถานที่ต่างๆไม่มีใครร้องโหลร้องห้างเศร้าโศกเสียใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ยึดติดกันนั่นเองการยึดติดนี้ไม่ได้เหมือนกันว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทิ้งกันเลย จะต้องจากกันเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ทำใจของเราให้ปล่อยวางให้ยอมรับความจริงของเวลาที่จะต้องจากกันเท่านั้นเองขณะที่ยังอยู่กันเราก็อยู่กันเหมือนเดิมทำหน้าที่ต่างๆต่อกันเหมือนเดิมมีความรักมีความเมตตามีความห่วงใยต่อกันแต่ไม่แต่ไม่เดือดร้อนใจถ้ามันไม่ได้ เป็นไปตามที่เราต้องการเราห่วงเขาแต่ถ้าเราไม่สามารถยั้งเขาไว้ได้เราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจแต่อย่างไรเพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเตือนใจของเราอยู่เสมอว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เราย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมลหลีกหนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้เรามีการพัดพลาดจากสิ่งที่เรารับไปเป็นธรรมดาเราหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้สอนอยู่เรื่อยๆ พ่อเมื่อสอนอยู่เรื่อยๆแล้วจะได้ไม่ลืมพอไม่ลืมแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดแต่ถ้าไม่สอนแล้วจะลืม ท, ทันทีแล้วก็จะยึดติด ท, ทันทีแล้วก็จะทุกข์ทันทีทั้งๆ ท, งที่สิ่งที่เรายึดติดนี้ยังไม่ได้จากเราไปเราจะหวงจะห่วงถ้าขึ้นม า, ท, าทันทีพอไม่ได้เห็นสิ่งที่เรารักขึ้นมาเราก็จะวุ่นวายใจแล้ว หายไปไหนลูกหายไปไหนสามีหายไปไหนภรรยาหายไปไหนแต่เราไม่รู้เลยว่าสักวันหนึ่งเขาต้องหายจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องหายจากเขาไปอยู่ดีนี่คือการสร้างสวรรค์สร้างพระนิพพานขึ้นมาใน ใ, นใจต้องสร้างด้วยการเสียสละต้องการสร้างขึ้นมาด้วยการตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ในบุคคลต่างๆในสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะไม่มีใครเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้คนตายเขาไม่สามารถเอาไปแม้แต่ร่างกายของเขาเขาก็เอาไปไม่ได้เขาไปแต่ดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจของเขาที่มีนรกหรือมีสวรรค์หรือมีนิพพานอยู่ในนั้นเท่านั้นแหละถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต ก็เอานิพพานติดตัวไปกับใจถ้าเป็นผู้ที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลอยู่เรื่อยๆก็จะเอาสวรรค์ติดตัวไปถ้านั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบได้ก็จะเอาพรมโลกไปถ้าเจริญปัญญาวิปัสสนาตัดความยึดมั่นถือมั่นตรงอนิจจงทุกขังอนัตตาได้ก็จะเอามรรคผลไป ไปเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นโสดาบันบ้างเป็นสกิดาค้างมีบ้างเป็นอนาค้างมีบ้างหรือเป็นพออาระอรหันต์บ้างถ้าสามารถตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดนี่คือเรื่องของดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนที่ที่ ต้องเดินทางต่อไปถ้าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องเอาบุญเอาบาปหรือเอาเอามรรคผลไปกับใจอยู่ที่ว่าเราจะสะสมอะไรไว้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้เรามีทางเลือกเรามีเวลาที่จะเลือกสะสมอาสิ่งต่างๆได้ เราจะเอาสวรรค์ไปก็ได้ถ้าเราอยากเอาสวรรค์เราก็ต้องทำบุญให้ทานอยู่อย่างเสมอแล้วต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้าเราอยากจะได้สวรรค์ชั้นพรหมโลกเราก็ต้องรักษาศีลแปลแล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอจนทำจิตใจของเราให้สงบได้อยู่ตลอดเวลา ใจของเราก็จะเป็นพรมโลกขึ้นมาถ้าเราอยากจะเป็นพระพอรุทะเจ้าทั้งหลายเราก็ต้องตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องตัดต้องปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องถือว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟแล้วก็มาสมมุติกันว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อ เป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันเท่านั้นเองแต่ความจริงร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟน้ำก็กลับไปสู่น้ำดินก็ไปสู่ดินลมก็ไปสู่ลมไฟก็ไปสู่ไฟไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เราจะไปหลงยึดติดว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราได้อย่างไรนั่นเป็นเพียงสมมติ เหมือนกับเราเอากระดาษแล้วมาเขียนตัวเลขว่ากระดาษใบนี้มีราคาหนึ่งร้อยบาทความจริงมันก็เป็นเพียงกระดาษเท่านั้นเองแต่เราก็เชื่อกันพราะเราสมมุติกันว่ามันเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ความจริงมันเป็นเพียงกระดาษร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้เราก็มาสมมุติเหมือนเราเล่นละครเราสมมติว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อีกคนหนึ่งก็สมมติว่าเป็นขอทานอีกคนหนึ่งก็สมมติว่าเป็นพระราชินีแต่ก็เป็นการเล่นละครของร่างกายนี้เท่านั้นเองกามจริงร่างกายก็เป็นเพียงลินน้ำลมไฟนี่คือการเจริญปัญญาเจริญวิปัสนาเพื่อเราจะได้ตปรงวางได้จะได้ไม่หลงยึดติดว่าเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลาน ที่เขาเป็นนี้เป็นเพียงสมมุติแต่ไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงพอร่างกายนี้ตายไปแล้วความเป็นพ่อเป็นแม่ก็หายไปความเป็นลูกเป็นหลานก็หายไปนี่แหละคือเรื่องของการเจริญวิปัสนาถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต้องเจริญวิปัสนา ถึงจะไม่กลับมาเกิดอีกถ้ามัยังเพียงแต่ทําบุญให้ทางรักษาศีล น, นั่งสมาธิถึงแม้จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกก็ตามแต่มันก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีวันหมดอายุได้มันมีวันเสื่อมได้หลังจากบุญที่ได้ส่งไปให้ไปอยู่บนสวรรค์นั้นหมดแรงหมดกําลังมันก็จะดึงจิตให้ ตกลงมาสู่โลกชั้นต่ำลงมาจากชั้นผมก็จะลงมาสู่ชั้นสวรรค์จากชั้นสวรรค์ก็จะลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างกรรมกันใหม่อีกแล้วก็กลับขึ้นไปอีกจะ ข, ขึ้นลงๆอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณา ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเพียงบินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ให้ความสุขกับเรามีแต่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะตัดทันทีเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทันทีเหมือนถ้าเรารู้ว่าเป็นลูกระเบิดเวลาเราจะไม่ เข้าไปใกล้ทันทีถ้ามีใครมาบอกว่าในศาลานี้มีระเบิดเวลาติดตั้งอยู่พวกเราทุกคนนี้จะต้องรีบออกจากสารานี้ออกไปทันทีเลยเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ลูกระเบิดนั่นเองฉันใดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆมันก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่จะระเบิดใส่ดวงจิตดวงใจของพวกเรา เวลาที่คนร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลานั่นแหละเป็นเวลาที่ลูกระเบิดได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วได้ระเบิดกับเขาแล้ว<ม>แต่คนที่ยังไม่ระเบิดก็ยังรู้สึกประมาท ย, ยังไม่ไม่เดือดร้อนอะไรก็ยังไม่รู้ว่าตนเองก็มีลูกระเบิดเวลารอตอนเองอยู่เหมือนกันเพราะถึงแม้จะไม่มีเงินทองเลยแม้แต่บาทเดียวถึงแม้จะไม่มีสมบัติอะไรเลยก็ตาม ก็ยังมีร่างกายนี้อยู่ร่างกายนี้ก็ยังเป็นเหมือนระเบิดเวลาเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลามันแก่มันเจ็บค่ายได้ป่วยหรือเวลามันจะตายมันก็จะระเบิดใส่ใจของเราทันทีแต่ถ้าเรามีวิปัสสนาเรามีปัญญารู้ทันว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นระเบิดเวลาเราก็ตัดความถูกพันตัดความยึดติดกับร่างกายอย่าไปหวงอย่าไปห่วง อย่าไปเสียดายมันเท่านั้นเองมันจะเป็นจะตายก็ปล่อยให้มันเป็นไปมันจะเจ็บไายได้ป่วยก็ปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าเราปล่อยวางอย่างนี้ได้แล้วมันจะไม่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาระเบิดเวลาระเบิดจะไม่สามารถมากระทบกับใจของเราได้เพราะปัญญานี้เป็นเหมือนเกราะคุ้มครองจิตใจถ้ามีเกราะคุ้มครองแล้วไม่ว่าจะเป็นระเบิด นขนาดไหนมันก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนกับดวงจิตดวงใจของเราได้นี่แหละเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่วิเศษที่สุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้มาเป็นสมบัติแล้วก็นำเอามาเผยแผ่ให้แก่พวกเรามาสอนพวกเราให้สร้างตอบคุ้มครองอันนี้ ให้เราทำบุญให้ทานกันให้รักษาศีลกันให้นั่งสมาธิกันแล้วก็ให้เจริญปัญญากันเพราะเราจะได้มีเกราะคุ้มครองจิตใจและเราจะได้ไม่ต้องไปไ ข, ขว่คว้าหาสิ่งหาลูกระเบิดเวลาในภพชาติต่างๆอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้อีกต่อไปความทุกข์ ที่เกิดขึ้นในใจของเราที่สร้างที่ทำให้เราต้องร้องห่มร้องไายในแต่ละภพแต่ละชาตินี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้ามารวมกันแล้วจะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกคิดดูกันแล้วกันว่าจะต้องเป็นภพชาติมากน้อยเพียงไรถึงจะต้องไห้หลั่งน้ำตาให้ได้มากกว่าด้างในมหาสมุทร แต่นี่แหละเป็นความจริงเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดโกหกเลยแม้แต่คำเดียวเพราะภพชาติของเหล่านี้มันมากมายขนาดนั้นแล้วมันจะมากมายต่อไปอีกถ้าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างเข้มข้นปฏิบัติอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเหมือนกับการหายใจของเรา ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนั้นทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนในภพนี้ในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกเพื่อเราจะได้เข้ามาสร้างสวรรค์ สร้างมรรคผลนิพพานในใจของเราเพื่อจะได้คุ้มครองจิตใจของเราให้อยู่อย่างโล่มเย็นเป็นสุขไปตลอดอนันตกาลการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไห้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ